นั่งภาวนาธรรมดาธรรมดาซึ่งเป็นเวลาปล่อยงานข้างนอกคือความคิดเรื่องราวต่างๆภายนอกและเกี่ยวกับสิ่งสัมผัสสัมผั์ภายนอกแล้วมาอยู่โดยลำพังจิตเฉพาะอย่างยิ่งจิตกับกาย ที่อยู่ด้วยกันซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นเราก็ไม่เคยคาดคิดมาเรื่องความจริงจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมามีลานนั่งเหมือนนั่งท่าภาวนาคือระงับ สิ่ที่เกี่ยวกับภายนอกเหลือแต่ความรู้โดยหลักธรรมชาติของตนแล้วก็ดูกายความรู้นั้นดูกายตัวเองกายอันนี้กับวัตถุต่างๆที่อยู่ภายนอกกายไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยกายอันนี้จึงเป็นเหมือนวัตถุอันหนึ่ง เช่นเดียวกับวัตถุภายนอกเหมือนไม่ใช่กายของตัวถ้าเราพิจารณาในจุดว่ากายมันก็เป็นเหมือนวัตถุชิ้นเช่นเดียวกับวัตถุภายนอกถ้าจากนั้นไปคือไม่เกี่ยวกับกายเลย อยงนี้มันก็เหมือนตายไม่มีแต่ความรู้นอกจากความรู้แล้วมันยังกระจายออกไปเป็นเหมือนว่าในโลกอนี้ไม่มีวัตถุอะไรเลยแต่ก็มีอีกอันหนึ่งว่าความรู้อันนี้ครอบโลกธาตุเนี่ยโลกไม่เหมือนไม่มีอะไรเลยทำไมจึงครอบโลกธาตุคือความรู้เนี่ยมันเด่น สิ่งเหล่านั้นไม่ปรากฏเมื่อมีอยู่ก็มีปรากฏในความรู้สึกมีแต่ความรู้สึกของตัวเองปรากฏกับตัวเองโดยเฉพาะมันจึงเป็นเหมือนครอบโลกธาตุแตธาตุแยกออกไปว่าครอบโลกธาตุถ้าไม่แยกก็เหมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นหลักธรรมชาติของจิต ส่งเข้ามาสู่ร่างกายมันก็กระจายไปหมดแล้วร่างกายก็เหมือนไม่มีแยกคอามาเป็นส่วนสมมติให้ว่าร่างกายมีร่างกายมันก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่งเท่านั้นเหมือนเรียกว่าไม่มันไม่ใช่อะไรกับเรามันเหมือนวัตถุอันหนึ่งอยู่นอกกายเราไปอันนี้ก็เหมือนวัตถุอันหนึ่งคือมันอยู่นอกใจ คุณงา่ายเอาไหวงี้เลยดีกว่านีเดียวเป็นหลักปัจจุบันเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มันเป็นอยู่โดยลำพังตัวเองโดยไม่ต้องเสกสรรตัน้นยอมมันอะไรเราพิจารณาเราพูดออกตามความจริงเองานั้นจิตได้แยกตัวออก จากทุกสิ่งทุกอย่างเสียก็เป็นดังที่ว่าสมมุติว่ามีกิเลสก็แยก ก, แยกันออกจนกระทั่งกว่ากิเลสไม่มีเหลือเลยส่วนกายยังมีเหลือความยึดมั่นถือมั่นในกายที่เป็นของมีอยู่เวลาจิตถึงถอนออกมากายซึ่งเป็นของมีอยู่ก็มีอยู่ตามหลัธรรมชาติของตนแต่จิตก็เป็นอันหนึ่งของตัวเอง สิสินั้นมีอยู่แต่ไม่แต่มันแยกกันโดยหลักธรรมชาติคำว่ากเาาิเลสมันไม่มีมันไม่มีจริงๆไม่มีอยู่คนลสัตว์ละส่วนอะไรไม่เหมือนวัตถุถาา้าเราจะแยกไปพวกเวทนาสัญญาตังการวอย่ญญางนี่ก็ไม่ใช่กิเลสมันเป็นอาการของขันแต่ละขันละขันตัวกิเลสมา แทรกเข้ามาสิ่งอหลนี้จริงจะเป็นเครื่องมือของกิเลสแต่และอย่างละอย่างไปได้ถ้าไม่มีอะไรจะออกกิเลสตัวใดออกมาไม่มีที่จะออกมาอันนี้ก็เป็นเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเพ่า น, นั้นที่เรียกว่าขันรุน้วนเป็นอย่างนั้นเองกายแม้ว่ายึดถือกายก็มีอยู่กิเลสไม่ยึดถือแต่กิเลสมันไม่มีมันผิดกันตรงนี้ มันไม่มีที่ย้ายานี่นะมีว่าพูดสุดขีดของจิตของธรรมของกิเลสสามอย่างที่เคยเกี่ยวข้องพัวพันรรกันมาเฉพาะอย่างนี้กิเลสกับจิตเป็นสิ่งที่ฝังจมกันตรนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่อาจรู้ได้เลยว่าจิตเป็นยังไงพิเลนเป็นยังไงเพราะเป็นอันเดียวกันนี่จิตที่เป็นอันเดียวกันกับพิเลนนี้พิเลนจึงมีอํานาจที่จะแสดงออกทุกแง่ทุกมุมก่อนทำจะแสดงออกมาทุกขณะด้วยเหตุนี้ท่านผู้มีความละเอียดกว่าพวกเราหรือท่านผู้เรียนวิชาของ ทำของก่เลสจบสิ้นลงภาในอกจิตใจเรียบร้อยแล้วมองดูพวกเราซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสนี้จึงเห็นได้ชัดชดรู้ได้ชัดชว่าอาการใดที่แสดงออกมาเพราะกิเลสตัวใดเพราะกิเลสเป็นผู้ออกหน้าดิ้นแล้วจะออกหน้าด้วย อาการของกิเลสตัวใดนั้นเป็นอีกแน่หนึ่งแต่ละอาการอาการของกิเลสที่แสดงออกมาจากตัวของเราี่ในการประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองเพื่อจะทำร้ายกิเลสจึงมักมีกิเลสแทรกอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในนั้นโดยที่เราไม่รู้เลยแม้ที่สุดกําลังนั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาคือทําความเพียรอยู่ในท่าต่างๆนั้นแะ มากมันเป็นท่าของกิเลสเกียทั้งหมวลจะเป็นทาขงความเพียนในขณะกิจแรกเท่านั้นนอกจากนั้นจะมีแต่กิเลสทํางานของตัวเองอยู่ในที่นั่งสมาธิที่ภาวนาที่เดินจงกรมทําความเพียรความเพียนความภาความเพียนท่าต่างๆนี่จะเป็นเรื่องความเพียรของกิเลสเพราะสติปัญญาของเราไม่ทันนี่เบื้องต้นเป็นอย่างนี้เราไม่ทราบว่าเบื้องต้นของเราเป็นอย่างนี้ หากมีผู้ผู้ทราบเรานั้นเราถึงจะได้ฟังเรื่องของเราว่าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาได้แต่ไม่มีผู้ทราบเลยก็ไม่มีผู้ที่จะพูดอย่างนี้ขึ้นมาได้เหมือนกันจะนําอะไรมาพูดเพราะมันเหมือนกันหมดเมื่อแยกออกมาแยกออกกันได้มากน้อยแยกออกกันได้โดยเฉิงเฉิงก็พูดกันได้ท่านเจงการประกอบความเพียร จึงต้องได้สอนเสมอเรื่องสติสติเป็นสิ่งสําคัญเป็นอันดับแรกแห่งการประกอบความเพียรปัญญาเป็นอันดับที่สองมีสติอยู่กับตัวไม่ว่าจะภาวนานในธรรมแห่ใดบทใดไม่ว่าจะอยู่ในอิทิบาทใด หรือทำงานใดอยู่อย่างน้อยสติต้องมีให้รู้สึกตัวแม้จะไม่รู้อยู่กับทำบทใดเหมือนกับเรากําลังภาวนาก็ตามแต่ให้สติมีความสื่อต่ออยู่กับความรู้ข้ก่อนการภาวนาก็อิจ ก, ก็สงบได้งา่ายถ้าเป็นฝ่ายสงบแต่พิจารณาอะไร สติซึ่งอยู่กับตัวแล้วก็เรียกได้ทันกับความต้องทารเราจึงกล้าพูดเสมอถิงเรื่องสติและพูดแล้วพูดเหล่าเพราะเห็นคุณค่าของสติเป็นสิ่งที่เด่นมากในวงความเพีย่ยนไม่มีอะไรเกินกว่าสตินี้ไปได้เลยในจิต ท, ทั้งดวงมันเป็นกิเลสห่มหอยจน มองหากิตไม่เจอพยายมาทางกายก็หมดทั้งร่างของเรามันก็เป็นเรื่องของกิเลสที่หมดทั้งร่างเพราะกิเลสจับจองไว้หมดแล้วพิริยที่แสดงออกกิเลสจึงมีทางที่แสดงออกก่อนทําได้เสมอสหรผู้ไม่ยังไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันกับกิเลสประเภทต่างๆมันต้องใน ใช้สติปีติพิจนนารณาทิเล็นั้นเป็นเรื่องอัตโนมัติเพราะเคยชินกับใจของสัตว์โลกมานานแล้วเคยใช้จิตใจของสัตว์โลกมาทุกแง่ทุกมุมไม่มีใครที่จะช่ำชองยิ่งกว่าที่เล็เอาจิตท้งเราเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็น เครื่องไม้เครื่องมือของมันเลยหรือเป็นคนชช้ของมันก็ได้ยิ่งมีความชนานิชานาญมากในการบังคับบัญชาจิตใจให้เป็นไปในแง่ต่างๆโดยที่ไม่ต้องตั้งใจมันก็เป็นไปได้ของมันเองเพราะมันคล่องตัวมันเคยกันมานานนี่แหละเรื่องของยี่งๆเป็นอัตโนมัติภายในจิตใจทีนี้เรื่องของธรรม ซึ่งยังไม่มีในใจหรือมีน้อยจึงต้องเลยใช้ความตั้ง อ, อกตั้งใจมีเจตนาเต็มสติกำลังของตนด้วยกันทุกคนที่จะกำจัดหรือชะล้างที่เหลืแต่ว่ากำจัดก็าตามจะ่าชะล้างก็าตามต้องเต็มไปด้วยเจตนาทั้งทั้งนั้นเมื่อมีเจตนาแล้วสติก็ต้องมาด้วยกัน เราภาวนากำหนดอนาตาน่าติลมหายใจหายใจเข้าออกสติเป็นเครื่องอยั่งอยู่กับวงภาวนานั้นไม่จิตมันปรุงออกไปได้เราอยากเข้าใจว่าอารมณ์มาจากภายนอกมากวนใจไมนมีอารมณ์ใดมากวนใจมีแต่ใจควรตัวเองกิเลสมันผลักดันออกมาให้คิดผลักดันออกมาให้เสียดายความคิดความปรุงต่างๆ เป็นเรื่องของกิเลสท้งนั้นที่จะมีจากสิ่งภายนอกก็คือสิ่งที่มาสัมผัสเช่นเสียงเวลาเราภาวนาเสียงกระทบปับ๊บถ้าตัวภายในนี้ไม่ตึงขึ้นผักดันออกไปตงึงเสียงกม็มีความหมายแต่อาศัยเสียงที่เรียกว่าติดกระเพื่อมขึ้นมาและไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมันก็เป็นของมันได้เอง มันถักมันดันออกมาให้คิดให้ตุ้มให้เสียดายเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะกิเลสนั้นเป็นเจ้าเรื่องให้พากันทาบเอาไว้ไม่มีใครที่จะเกินกิเลสไปได้ไม่มีสิ่งใดจะเกินกิเลสซึ่งเป็นเจ้าเรื่องไปได้จอมเรื่องคือกิเลสเพรา ะ, ะนั้นเราจงระมัดระวังเรื่องอันเป็นเรื่องของกิเลสรวนรานจะพาให้แสดงนี่แ่ะที่นักปฏิบัติเรา ทำใจให้สงบตามความต้องการไม่ได้เพราะไม่ทราบว่าเรื่องนั้นคือเรื่องของกิเลสความอยากคิดอยากปุงในเรื่องราวต่างๆอดีตที่ล่วงมาแล้วกี่ปีกี่เดือนและลึกได้เมื่อไหร่เพราะกิเลสพาให้เระลึกไม่ใช่เราลึกได้เองกิเลสพาให้ร ล, ลึกกิเลสพาให้ติดพันกับเรื่องมันนั้นไม่มีจบมีสิ้นวงความเพียรก็หายไปหมดเรถูก อารมณ์เหล่านั้นเข้ามาเหยียบย่ำทำลายซึ่งรวนแรงแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเหยียบย่ำทำลายวงแห่งความเปลี่ยนของเราในขณะนั้นนะมีเราจะทราบได้ชัดกว่าถึงขั้นควรจะทราบได้ชัดคือทราบได้อย่างเต็มภูมกิก็ถึงขั้นเต็มภูมิไม่ต้องบอกทราบไปเองเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เอาที่ลงกิเลสได้สิ้นไปหมดจากใจความอยากมาจากไหนไม่มี อยากคิดเรื่อง น, นั้นอยากปรุงเรื่อง น, นี้จึงทําให้รู้เรื่องของกิเลสได้อย่างชัดเจนเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่พาให้ปรุงต่างๆพาพาให้เสียดายอารมณ์พาเสดาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องใกล้เรื่องไกลอดีตอนาคตไม่มีสิ้นสุดมีแต่เรื่องของกิเลสมันพาวาดพาไปทั้งนั้นหลม่ลมลม่แรงแร ง, งแต่ผลมันไม่หลมุมแรงสิ มันกรอบโคลงมาอยู่ที่หัวใจซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของกิเลส น, นี่ถ้าเกิดความทุกข์ร้อนขุ่น ม, มัวภายในจิตใจนี่ยึดมันไม่มีกิเลสจะอะไรจะเสียดายอะไรไม่มีอะไรเสียดายเหลือตั้งแต่ความรู้ล้นลวนความรู้ไม่มีเรื่องที่ มันก็ทำให้ทราบชัดว่าเรื่องทั้งหมดเกิดมาจากอะไรในขณะเดียวกั น, นเมื่อไม่มีอะไรผลักดันมันก็ไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องอยากให้ผลักดันออกมามันก็ประมวลลงได้ว่าอ๋อเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากที่เลศซึ่งเป็นเจ้าเรื่องจอมเรื่องแน่พอจอมเรื่องเจ้าเรื่องจอมขอควรนี้ถูกทําลายลงไปแล้วมันไม่มีอะไร เหมือนบ้านร้างแต่มีคนอยู่บ้านร้างคืออะไรกิเลสมันทังทลายไปหมดตัวเป็นพิกเป็นภัยฝักฝอยยึดนั่นยึดนี้ควานนั้นควานถูกทำลายไปหมดแต่คนยังมีอยู่นั่นก็นหมายเหลือแต่ขันกับความรู้ที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งใดและต่อตนเอง เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ดวงนวลเนี่ยเือเหมือนบ้านร้างแต่มีคนอยู่ทันยังมีอยู่ความรู้นั้นยังมีอยู่แต่ผู้ที่พาให้ก่อความยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างๆนานาอันเป็นความไม่สงบนั้นคือกิเลสได้ตายไปหมดแล้วจึงเป็นเหมือนกับบ้านร้างเนี่ยเป็นอย่างนั้นเอง ท น, นี้บ้านเรามันเต็มไปด้วยชุลายามเมาบ้านในขันขันของกิเลสเป็นเครื่องมือของกิเลสมันเพ่งตายเป็นด้วยความมึนความเมาอยู่ตลอดไม่มีมืดมีแจ่งมีสว่างอะไรเมาอยู่ด้วยกิเลสตันหาอาสะวะทำภวนามก็ไม่หลงผูกกิเลสทุนลากไปต่อหน้าต่อ ต, อตาเดินจงกรมอยู่ก็ได้ช่วงกี่วินาทีมันก็เผลอไปแล้ว นั่งสมาธิตั้งท่าตั้งทางกับองค์แห่งสมาธิของตนก็ไม่กี่วินาทีเราไม่อยากจะพูดถึงหนึ่งนาทีเลยถูกมันลากไปแล้วถูกมันลากไปแล้วกว่ารู้ตัวที่ไหนมันอยู่บนเขียงจนเป็นลากไปแล้วแหลมคมหมายที่เลยดูเอาฟังเรเาอยเพราะฉะนั้นในตัวของคนแต่และคนกิริยาที่แสดงออกมันบอกคุณมีตัว กิเลสมันจะเหนือทําได้อย่างไงเมื่อทําเหนือกิเลสมันต้องมองกิเลสรู้ชัดเห็นเรื่องของกิเลสได้อย่างชัดเจนที่ทำให้เหนือกิเลสนั่นสิกิเลสเหยียบย่ทำทําลายทําลงไปในท่าต่างๆของความเพีย่ยนรจะไม่มีเหลือนี่ต่ภาวนามันไม่ได้เหตุได้ผลได้เรื่องได้ราวหาความสงบร่มเย็นภานในตัวเองก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเหตุดังที่กล่าวมานี้นี้แต่กิเลสเข้าไปแทรก อยู่ใรงงานใช้หมดเราเอาแต่ชื่อแต่นามเอาแต่จียาแห่งการประกอบความเพียรมาอวดเจ้าของเป็นความสำคัญมั่นหมายว่าเราได้เดินจงกรมเท e ่านั้นชั่วโมงแต่นี้ชั่วโมงนั่งภาวนาเท e ่านั้นชั่วโมงเท่านี้นาทีเอาแต่ลมลมแรงแรงมาพูดความกินมันเป็นเรื่องของกิเลสเอาไปกินสมหมดนี้เราก็ได้แต่ลมลมแรงแรง ม, เเเมอเป็นเย่านั้นผลคือความสงบร่มเย็นของใจมันก็ไม่เกิด ห า, หากว่าปฏิบัติตามที่ได้กล่าวมานี้กิเลสตัวไหนจะดื้อด้านหานสู้ทําไปได้วะต้องสงบลงจนได้มันจะคึกขนองยิ่งความม้าตัวแสนขนองก็เถอะแต่ไม่พ้นอํานาจของสติอันดับที่สองก็คือของปัญญานี้ไปได้เลยในเบื้องต้นที่จะให้จิตสงบต้องไม่พ้นวิสัยของสติควบคุมกัน ก็ต้องเห็นผลไม่เห็นได้ยังไงทางอยู่ตรงนี้ทางแห่งความสงอบอยู่ตรงที่สติมีสืบต่อมีความเพียรมีความอดความทนเป็นเพื่องสนับสนุนให้สติได้สืบต่ออยู่ด้วยความน้อมน้อวตระที่ต้องสงบต้องเย็นภาวนามากี่ปีกี่เดือนก็ไม่ใช่เรื่องก็มีแต่เรื่องเลาะแหละเลาะแหล ะ, หล ะ, หละจะเอาเรื่องความกินคือทำมาจากไหน นี่แหละที่เป็นห่วงหมูพื่อนมากอยู่ด้วยกับกี่ปีกี่เดือนเทศให้ฟังจนหมดเปลือกแล้วเวลานี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นยังไงผลผู้มาประพฤติปฏิบัติพอ ท, ที่จะเป็นทุนเป็นหล่อนในพื้นของหัวใจตนได้บ้างหรือไม่นี่น่าคิดอยู่มากทีเดียวเสียดายอะไรกับโลกสงสารอันนี้ เราเกิดมาทํากลางโลกนี่อยู่แล้วความเป็นอยู่ของจิตก็คือเรื่องโลกล้นลวนอยู่แล้วดีชั่วก็ควรจะเห็นผลกันมาโดยลําดับตําดาบเพราะอยู่ด้วยกันคราเขาอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลาหนา น, านกับโลกคเครื่องเปเียบตัญหาอาสวะดีชั่วประการต่างๆเวลานี้จะปฏิบัติธรรมรถของโลก เป็นขนาดไหนก็ได้เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วโกหกกันได้อย่างไรเรื่องรถของรถของโลกนะ่ะมีรถของธรรมซึ่งจะเป็นเครื่องเทียบเคียงและเป็นคู่แข่งกันนั้นเรายังไม่เคยประสบพบเห็นแล้วเราเชื่อต่อตอัตตธรรมเชื่อครูบาอาจารยม์มาประกอบความภาคเพียนก็ควรจะเอาความเชื่อนี้อย่างลงให้ลึกๆ ภายในหัวใจบ้างถ้ายังไม่มากกาบ้างแสีก่อนแล้วอย่างลงไปด้วยสติบังคับจิตใจด้วยสติเพื่อความสงบมันจะสงบไม่ได้จริงๆเหร อ, อ ม, มันจะคึกขนองไปไหนเคยคึกเคยขนองมา้วจิณตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้มันเคยสงบตัวลงด้วยความอ่อนเพลียของมันมีไหมไม่เคยมี ถ้าไม่สงบตัวลงได้ด้วยอำนาจของธรรมปราบปรามสิ่งที่พาให้คึกขนองมันให้ราบลงไปเป็นลำดับลำดาเท่านั้นจิตจะหาความสงบตัวไม่ได้เลยมีปากใจลงไปที่นักปฏิบัติเพียงขั้นสงบยังเอาไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรจะพูดอะไรถึงเรื่องขั้นปัญญาความเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่านี้ซึ่งเป็นอันดับที่ออกไปจากความสงบ จะหาความสงบไม่ได้จะพิจารณาให้มีความแยบคลายทังด้านปัญญาในแง่ต่างๆของาธาตุของขันเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุในขันนั้นๆไปได้อย่างไรเมื่อจิตก็กําลังฟุ้งซ่านลาคาญหิวโหยตลอดเวลาพาพิจารณาเรื่องอะไรก็สัญญาอารมณ์ก็ถุดกวาไปเสียไม่เป็นปัญญาไม่เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาได้เลยเพราะจิตกาลังหิวโหยด้วยความกระวนกระวายสายแสดเจียงต้องให้อาศัย จึงต้องอาศัยอบรมการความสงบให้จิตได้มีความสงบตัวนั่นแหละพอจิตมีความสงบตัวได้มากน้อยเพีงยงไรจิตก็เริ่มอิงตัวขึ้นมาพอที่จะมีทางพิจิพิจารณาทางด้านปัญญาได้ไม่หหมหงุดหงิดอารมณ์ดังที่เคยเป็นมานี่หลักการปฏิบัติเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นขอให้เป็นที่ลงใจสำหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเอาให้จริงให้จังของวิเศษอยู่กับธรรมแท้ ไม่ได้อยู่กับกิเลสตถาสารประเภทใดๆพอที่จะหลงตามคล้อยตามอยู่ตลอดมาจนขนาดปัจนนี้ยังไม่อิ่มพอกันมีเหรออมนี่น่าดี่กีกับกีกันเอาประมวลในชาตินี้ตั้งแต่เกิดมานี่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องเหล่านี้มาเลยก็คุกเข้าอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันเกิดมามาสัมผัสสัมพันธ์ันก็เลยสัมผัสสัมพันธ์นอนจม อ, อยู่ด้วยกันมาอยู่แล้ว ไม่พอจะเห็นโทษเห็นคุณของมันบ้างเหรอเอามาเทียบกับธรรมะเป็นอย่างไงควรจะมีแก่ใจพิิจพิจารณาตามหลักธรรมของพระเจ้าซึ่งเป็นจอมปราบฉลาดแหลมคมและเลิอดก็คือพระพุทธเจ้าธรรมพาให้พระองค์เลือดกิเลสไม่ได้พาให้เลิอดทาไมจึงต้องเอากิเลสมาฟาดมาเหวี่ยงมาทําลายทำมาเสียตั้งทั้งที่ประกอบความภาคเพียรอยู่เวลานั้น ได้ลงขอนั่นน่าพิจารณามากนะหากว่าไม่เอากิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายทำในขนาดที่ประก อ, อบคุณเรียนอยู่แล้วทำไม่กิจจะหาความสงบไม่ได้ก็เราทําเพื่อความสงบแท้ๆนแล้วเราทําเพื่อปัญญาความเฉลียวฉลาดแหลมคมให้รู้แจ้งแทงทะลุตามความจริงทั้งหลายที่กิเลสตัวจอมปลอมมันเป็นฝังของปลอมไม้เต็มท่าเต็มขันเต็มอาณาเต็มผิจเต็มใจจะถอนมันออกมาจากนี้ทําไมเราจะถอนไม่ได้ด้วยความจิ ให้เห็นความจริงแทรกเข้าในความปลอมนั่นเพียงเล็กน้อยก็พอจะทดสอบพอเป็นคู่แข่งกันได้พอเป็นเครื่องเปรียบเทียบกันได้บัางแล้วนี่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องเปรียบเทียบกันเลยเป็นคู่แข่งกันเลยต่ว่ความสงบก็มีแต่วความฟุ้งซ่านออกหน้าออกตาเสียแต่ว่าความฉลาดทางด้านปัญญาก็มีแต่วความโง่ออกหน้าออกตาเสียซึ่งเป็นเรื่องของเด็ทั้งมว แล้วเราจะอะไรมาเป็นสาระภายในจิตใจของเราสําหรับเป็นผู้ปฏิบัติเรานี่มันน่าคิดอยู่มากนะผมก็อดพูดอย่างนี้ไม่ได้พ่อสอนหมู่เพื่อนมาเป็นเวลานานทําทไมจิตใจถ้ามันได้ดื่มรสแห่งธรรมปรากฏยิ่งยับยั้บขึ้นมาทางภาคปฏิบัติซึ่งเป็นความเข้มตนมันจะอดพูดได้เหรอเนี่ยเราเคยเป็นมาแล้วนี่ ทำไมจิตใจถ้ามันได้ดื่มรถแข่งทําปรากฏยิ่ยักงยับขึ้นมาทางภาคปฏิบัติซึ่งเป็นความเขียนตนมันจะอดพูดได้เหรอือเนี่ยเล้าเคยเป็นมาแล้วอยู่กับท่านอาจารย์มั่นก็เคยเวลามันไม่ได้เรื่องได้เล่วก็ขึ้น้าท่านก็ไม่ทราบจะพูดอะไรนี่จะกลัวท่านจนตัวสั่นพก็แบ บ, แบนี่เหตได้ผล เพราะมันเข้าใจเท่านั้นมากน้อยมันเกิดความประหารชานชายัยขึ้นมาตามกําลังของตนฐานะของตนภูมิจิตภูมิธรรมของตนในเวลานั้นมันพูดกับท่านได้อย่างเต็มเปล่าลความกลัวเลยหายหมดอยากจะพูดเพราะมันถึงใจตัวของในการทำของเจ้าของเองผล ท, ทั้งเหตุที่ทําลงไปก็ถึงใจผลที่ปรากฏขึ้นมาก็ถึงใจตามภูมิจิตภูมิธรรมของตัวเองแล้วมันก็ออกมันพูดออกมาได้อย่างไม่สะทกสะทาน เปี่ยงเปี่ยงเปี่ยงนี่ก็เคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วถ้ามันเป็นภารกิจทําไมมันพูดไม่ได้มันต้องพูดหน้ามันอยากพูดจริงกว่าอะไรยิง่งเห็นกรูบาอาจารย์แล้วมันเป็นที่ฝากเป็นฝากตายทําไมจะไม่อยากพูดกับท่านเพราะครูบาอาจารย์เป็นที่ฝากเป็นฝากตายของเราแล้วไม่ได้พูดเพื่อความ อ, อวดเราพูดเพื่อความภูมิใจของเราขัดข้องตรงไหนให้ท่านบอกให้ท่านแน่ท่านจะว่าขนาดไหนยอมรับทั้งนั้น คึ้นช่วธรรมแล้วต้องยอมทำจากครูบาอาจารย์นอกจากกิเลสมันจะไม่ยอมอะไรนี่หมายถึงความรู้ภายในใจเพี ย, ยงขั้นสมาธิมันก็พูดได้ยิ่งขั้นปัญญาประเดิมดับมันพูดไม่ได้อย่างไรผนดูเวลาท่านปวดหนักหนักใครเกี่ยวข้องท่านได้มาหลาแเรายังเข้าได้สมายมันนักพระมีเรื่องจะพาให้เข้าถึงท่านท่านนอนอยู่สบา ย, ยมนีับตอนบ่บ ผิดนั้นเรามันหมุนเกียวเกียวเกียวมันมีเวลาทั้งวันทั้งคืนบางคืนมันไม่หลับเลยปัญหาจะไม่เกิดได้ยังไงก็มันต่อสู้กับกิเลสทั้งวันทั้งคืนมันจะไม่มีปัญหาได้ยังไงก็กิเลสทั้งมวลมันเป็นตัวปัญหานี่ฮะทําจะฟาดฟันกับกิเลสทําไมจะไม่มีปัญหาต่อกันขึ้นมานั่นแหละมันได้เรื่องเหล่านั้นออกมากราบเรียนแต่เป็นเรื่องข้องใจก็กราบเรียนท่าน เป็นเรื่องที่เป็นความรู้ความเห็นที่เป็นที่แน่ใจก็กราบเพียนท่านให้ท่านเสริมถ้าตรงไหนว่าผิดตรงไหนท่านกคนนีท่านก็บอกที่ถูกตรงไหนแล้วก็เป็นอหุัมพันธ์เสริมมันก็ยิ่งเน้นหนักลงไปเพราะว่าแน่ใจว่าถูกต้องแล้วเจ้าของก็แน่ใจอยู่แล้วด้วยท่านผู้ผ่านไปแล้วเข้าใจแล้วซ้ําลงไปอีกมันก็ยิ่งเพิ่มกาลังขึ้นมาอีกนะี่เคยรบกวนท่านอยู่เสมอ เลาท่านเพียบทางร่างกายเราก็เพียบทางด้านจิตใจเพราะตอนนั้นมันเพียบจริงๆเราทางจิตใจจิตนั้นเข้าส่วนจุดรวมของมันนั่นแหละแต่มันหมุนติวต้วติของมัน <c oughs> นี่ทําไมอยู่ด้วยกันนานแสนนา น, น, านอยู่ได้เรื่องได้ราวอะไรภาวนาไม่ได้เรื่องในลาวอยากเข้าใจว่ามีความสงบภายในจิตมีความสบายนะเพศไม่ได้เป็น เป็นแต่ชื่อว่าเพศที่เป็นที่สบายเฉยไม่ได้ทําได้ทํานาทํารู้ทําสวนซื้อถูกขายแพหมือาโลกเขาเป็นความสบายก็เป็นเรื่องร่างกายต่างหากใจมันมีงานอยู่ตลอดเวลาแล้วเราความสบายมาจากที่ไหนงานห้องใจเป็นสิ่งเป็นงานที่กิเลสบังคับให้ทําแล้วมันจะเอาความสุขมาจากไหนถ้าไม่ใช่งานที่ทําบังคับให้ทำกิเลสบังคับเราเรายังบังมันยังบังคับได้พอใจบังคับทําไมเรา นำธรรมปฏิบัติให้ทําบังคับเราต่อสู้กิเดตทําไมเราถอยได้ถอยไปทําใหม่แต่ก่อ น, นมันก็แพ้อยู่แล้วนี่ยังจะถอยเพื่อแพ้หาอะไรอีกมันเลยแพ้ไปแล้วนี่นอกจากจะสู้เข้าเพื่อความชนะเท่านั้นความแพ้กิเลสมันดีเมื่อไหร่ถ้าดีโลกนี่วิเศษกันหมดแล้วสงสัยอะไรอันนี้จางตักของน้าตาครอบโลกกระแอยู่แล้วมันก็เหมือนกองจับ ทำมาดิจังทุกขังาตาไม่เหมือนโกงจักเหม้อนอะไรเราสงสัยอะไรอยู่หังนี้พิจารณาให้จริงให้จังเลยนักปฏิบัติมันเห็นประจักษ์นี่ทําอยู่ที่ใจแท้เดี๋ยวนี้กิเลสมันอยู่ที่ใจนี่มันแทนทำอเ่างนี้ทำหาที่แทรกไม่ได้เพราะกิเลสบีบบังคับไว้ไม่ให้แทร เพียงแต่ขั้นสงบก็แทรกไม่ได้จะทําความเพียรมันก็บังคับไว้เสียเป็นเรื่องของความเพียรทองกิเลสไปเสียไม่ใช่ความเพียรเพื่ออัดเพื่อทำํำแยกกันออก บ, บังคับออกร่างกายนี้มันก็จะจะแตกอยู่แล้วไม่กี่วันกี่ปีกี่เดือนนี้เราหวังออะไรจากมันมันก็เป็นร่า ง, งมันอยู่เพียงเท่านี้ถึงมารลาของมันแล้วใครจะรัางมันไว้ได้พังด้วยกันทั้งนั้น่ะ ะอะไรที่เป็นสาระสาคัญก็คือใจที่ไม่ต้องแต่ต้องหนับเหมือนสิ่งทั้งหลายแต่สิ่งที่แทรกหรือใจนั้นคือยาพิษทันทีมันจะทําให้เกิดความเดือดร้อนต่อไปเอาทําขับไล่มัออกไปสมถะธรรมนิปัสนาธรรมสมาธิธรรมสติธรรมปัญญาธรรมแทรกลงไปแสงลงไปขับไล่มันออกไปสิ่งอย่างนี้แหละตัวไผ่ ต้องฝืนผู้ปฏิบัติฝืนยิเลศจะฝือนอะไรสิ่งที่ให้ฝืนมีแต่ยิเลศทั้งนั้นเพราะยิเลศมันฝืนธรรมยิเลศมันเป็นค่าสิทธิกับธรรมยิเลศเต็มตัวเราทําไมเราจะไม่ฝืนธรรมมันไปฝ่ากยิเลศอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติทีนี้เราฝืนกิเลศเพื่อคล้อยตามธรรมเพื่อปฏิบัติตามธรรมนำธรรมเข้ามาแก้กิเลศก็ต้องฝืนเลย ถึไหนถึงกันตายก็ตายทีในโลกนี้มันเบ็นเมื่อยประชามันมีอยู่หมดเขาทุกข์ลำบากเพื่อกิจการงานอื่นเขาก็ตายเราทุกข์ลำบากด้วยการถอดถอนกิเลสธานันกิเลสจะตายก็เห็นสิอะไรจะตายก่อนตายหลังให้รู้สุดท้ายกับกิเลสนั่นแหละตายผู้ปฏิบัติธรรมไม่ตาย ให้ได้เห็นความสามารถของตัวเองบ้างนี่ผู้ปฏิบัติทำมีมองหาสาระสําคัญของตนเป็นที่ภูมิใจในความภาคเพียรการต่อสู้ของตนไม่เจอนี่ทาไงเราจะอะไรเป็นที่อบอุ่นเย็นใจน้อยก็ให้เห็นสาระสําคัญของเราในการต่อสู้กับพิเลรถ้าปฏิบัติทาเวลาเด็ดก็เด็ดเอากริงโงาจังเวลาเห็นก็มันก็เป็นแบบเดียวกันนั่นแหละ เห็ยังเด็กยังขาดเหมือนกันอย่างถึงใจนั่นแหละความอาถรรพ์นี่แหละเป็นสาระคุณเป็นหลักใจของเรามเราเคยชนะมาแล้วด้วยวิธีการของเราอย่างนี้แล้วนี่แหละวิธีการนี่แหละที่จะต่อสู้ในการต่อไปเพราะเป็นต้นทุนแล้วผลก็เป็นต้นทุนอย่าว่าะเหนหเป็นต้นทุนแล้วเลย ต่อไปก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปเหนียวแน่นนั่นมีอะไรยิ่งกว่ากิเรฒิอะไรจะเหนียวจะแน่นยิ่งกว่ากิเรฒิภายใจิตใจตัดไม่ได้ขาด ง, ง่ายง่ายดีไม่ดีดดยื่นด้ามดาบให้มันตัดหัวเราซะไดยซ้ำมองไปที่ไหนก็มีแต่ลักษณะนั้น ยืนเดินนั่งนอนมันเป็นเรื่องของกิเลสเหยียบหัวขนเหยียบหัวพระกรรมฐานเห็นพระกรรมฐานเหยียบหัวกิเลสกิเลสได้เหมาะบัง่งสักตัวสองตัวมีทั้งร้อยทั้งพันทั้งหมื่นทั้งแสนของกิเลสก็มีตั้งแต่ปีนึงขึ้นเหยียบหัวเราคนเดียวกิเลสเป็นชั้นแส น, น, นยังทนได้อยู่เหลือถ้ามันเหยียบอยู่ แล้วก็เหยียบมันแล้วมันตายสักตัวสองตัวอย่างน้อยสุดก็เหรนมันไม่ได้เหยียบตัวใหญ่ๆเพเหยียบเหรนะมันแหลกเห็นไหเหยียบเหลนก็เหยียบหลานมันเหยียบลูกมันเข้าไปฟันหัวลูกหัวแม่มันลงไปหัวพ่อมันลงไปฟันหัวปู่ย่าตายายกี่เด็ดลงไปมันขาดสบั้นในเห็นเป็นไหลแล้วความผลแห่งการฟันกี่เด็ดขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจด้วยปัญญานั้นจะแสดงตัวเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์อย่างไรบ้าง ไอ้กิเลสเหยียบหัวเรามันอัศจรรย์ที่ตรงไหนนำมาเทียบกันดั้งที่นักปฏิบัติอืมเราโง่ขนาดไหนหแค่เลนเลนของกิเลสก็มันเหยียบเอาได้อืไม่มีท่าทางอะไ ร, ะไรเลยเหมือนเป็นของตายคอยมันอยู่แล้วหลานกิเลสเลนกิเลสขึ้นมาก็เหยียบเอาเหยียบเอ า, เอาลูกกิเลสโผล่ขึ้นมาก็เหยียบเอาเหยียบเอาอืม อาว่าแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมันเหยียบมันขี่รถอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยนแม้แต่ลูกหลา น, ลานเลนเหลนมันก็ยังขี้รถเหยียบเราเาสู้มันแท้ได้เหยียบลูกเหยียบหลานเหยียบเหลนมันฟันหัวลูกหัวหลานเลนถึงพ่อถึงแม่โคตรแท้ปู่ย่าตายายมันแหลกแตกกระจายไปจากใจเอาที่นี่ใจดวงนี้นหละดวงที่เป็นห้องน้ําห้องส้วมไอเลน ทับถ่ายตลอดเวลาเนี่ยจะกลายเป็นจิตชนิดใดขึ้นมาในใจดวงนั้นเมื่อทาได้เข้าครองใจแล้วเริ่มแต่สมาธิทมขึ้นไปถึงปัญญาทำขั้น น, นั น, นตลอดถึงมิมุมติธรรมใจมนหัวใจแล้วอะไรที่นี่จะเลิศยิ่งกว่าใจดวงนี้มันก็เห็นชัดใจนื้ิความเร็วนะ้ายของกิเลสเป็นยังไงแล้วความเลิศประเส ร, ริฐของธรรมเป็นยังไงในใจดวงเดียวนั่นแหละที่มัน เคยอยู่ด้วยกันกับเยเล่แล้วเคยอยู่ด้วยกันกับธรรมที่นี่ธรรมเพราะแทนที่แล้วครรมเป็นธรรมสมบัติเป็นอัตตสมบัติขึ้นมาเป็นยังไงนี่วุปฏิบัติควรมีแก่ใจถมาท์ขม่ขม้นอดทน เ, เรื่องภายนอกเพียงอาศัยไปชั่วการชั่วเวลาเท่านั้น ไม่เห็นมีอะไรสำคัญยิ่งกว่าการประกอบความเพียรเพื่อขอดเพื่อถอนกิเลสภายในจิตใจทุกระยะให้จิตตักลงจุดนี้อยู่เสมอยาได้ลืมตัวถ้าลืมตัวแล้วก็เหลวไหลไปไม่รอดนะนี่ก่ออ่อนเพลียไปเรื่อยๆวัยเป็นไปตามวัยเป็นไปตามโรค ยึดดูต้องออกพรรษามาแล้วนี้แม่ก็เด็ประชุมอบรมหมู่เพื่อนเหมือนแต่ก่อนเลยก็เพราะสุขภาพไม่อำนวยนี่เป็นหลักใหญ่วันไหนคิดว่าจะประชุมฉังเกตดูอันนี้ในตัวเองมันก็ไม่สะดวกเสียก็ต้องในงดไปเหมือนไปซึ่งแต่ก่อนเราไม่ได้เคยงดถึงขนาดนี้การอบรมหมู่เพื่อนปีนี้รู้สึกว่าในงดมาเส้นนา น, าน เรื่องการงานรุ่งเหืองอยินวายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเราปิดได้สิ่งเหล่า น, นั้นแต่ปิดไม่ได้ก็คือโรคภายในตัวของเราดูที่เฉยเวลาจะเป็นก็เป็นขึ้นมาวามีอากาศอบอ้าวบ้างอะไรบ้างมักจะกาเริบง่ายเป็นขึ้นมาแล้วก็ขาดกิดที่เราจะต้องทำต้องเดิ น, เนไปตามนะ่ะมัน คล้อยไปตามโลควันนี้ไม่คล้อยมันก็เป็นจริงๆหมูเพื่อนให้เอาเทปไปฟังก็เดยเทปไว้มากมากายกองอยู่แล้วเครื่องเท้าก็ดูมีมากนี่ยฟังด้วยความสนใจจดจอ่อตั้งใจประพฤตปฏิบัติการจัดกิเลสที่เป็นตัวภัยออกจากจิตใจใจมีความสง่าผ่าเผยด้วยดด้วยธรรม อันที่พึ่งในโลกอันนี้จะมีอยู่จุดใดเป็นจุดที่ภูมิใจที่สุดเราจะเห็นได้ชัดเจนภายในใจของผู้ปฏิบัติได้สมาธิสมบัติปัญญาสมบัติและอิมมุติสมบัตินั่นแหละจะไม่ได้ในจุดใดเลยหากผู้ปฏิบัติทำได้ดำเนินให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะมาทราบกันที่จุดนี้โลกกว้างแสนกว้างจะไม่มีจุดที่ตรงจิตตรงใจลงได้ไม่ได้ประมาทโลก เราเคยอยู่ในโลกมาตั้งแต่วันเกิดจนมาถึงตอนนี้ถ้าควรจะปล่อยใจตรงโปรงใจลรงได้ในจุดใดว่าเป็นความสูขความสบายเราก็ปล่อยมานานแล้วเพราะเราอยากจะปล่อยความสูขความสบายลงสู่ความถูกความสบายกับโลกนี้มานานเจาะแสวงหากันยุ่งไปหมดในโลกนี้ไม่ใช่หาจุดหมายปลาทางหาความสูขความสบายเป็นที่ตปรงจิตปรงใจไม่ใช่เหรอือแต่มันทํำไมมันตรงไม่ได้โลกเพราะมันไม่ีที่โปร่ง เนื่องจากหัวใจไม่พาให้ตรงหัวใจมัเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ภายในตัวแล้วจะตรงที่ไหนมันก็เป็นไฟทั้งกองอยู่ตรงลงได้ยังไงถ้าไม่ดับไฟที่ตรงนี้แล้วตรงที่ไหนจะตรงได้เริ่มตั้งแต่สมาธิทำแล้วตรงไปได้โดยลำดับปัญญาธทมถึงขั้นนิมุติธรรมตรงได้หมดเรียบสบาสุดท้ายก็อยู่ที่จุดนี้เราจะไปฮับ ตปรงใจลงที่ไหนที่เป็นที่แน่ใจไว้ใจได้นับแต่น้อยเปอร์เซนต์ไปจนกระทั่งถึงร้อยเปอร์ซนตเต็มบริบูรณ์ถ้าไม่ตปรงลงที่นี่ไม่มีที่ปโปร่งกว้างแสนกว้างกว้างมันก็เป็นดินฟ้าอากาศไปอย่างนั้นจิตใจนี่สิมันแผ่กระจายความทุกข์ความลำบากไปเพราะคาที่ว่าโลกกว้างแสนกว้างนั่นแตกแขนงไป มากขนาดไหนพอๆกันหรือยิ่งกว่านั้นไถ้าไม่ปร่งลงที่จุดนี้ไม่มีที่โปรง่งม่มีที่เหมาะสมไม่มีที่ตายใจได้ไห้ใจได้พยายามหาที่ปรงให้ได้ด้วยความเา่เทียนของเรายกขึ้นเสมอว่ า, าพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านปรงที่ไหนกันทาได้ปรากดขึ้นในโลกกราบว่าบูชาก็เพราะจุดนี้เท่านั้นเป็นที่โปรง พระพเจ้าตรงที่ฆ่ากิเลสหมดแล้วธรรมก็เต็มดวงขึ้นมาที่นี้่รับสงฆ์กับมันกันสระังกัจฉามิฉามิถึงจุดนี้ที่เป็นหนักเป็นเก่งที่ไหนก็มีแต่เรื่องของกิเลสสระนังกัจฉามิอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเป็นงวาจามันนั่งเป็นยุนธานาจิตใจไม่จะหมอบราบสระนังกัจฉามิกับกิเลสอยู่ตลอดจะห า, าธรรมาสระนังกัจฉามิที่ไหนไม่มีอืม มันเลยเหี่ยไหลที่ผู้ปฏิบัติหลําใหญ่ที่ตรงนี้อะไรต่อนี้ไปท่านปัญญาปฏิบายิหนคนัะ